الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العقبة للمتقين ولا ع و ا ن إلا على الظالمين أصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني ر و ي ن ك م ي ن ي ا يايا يايا يايا يايا س ا ي ا ا ي ا و ا ي ا ซึ่งสุรตะเตวบานีย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะมันจะเกี่ยวข้องระดับหนึง่งกับสิ่งที่จะอธิบายในวันนี้สุรตะตวบานีในลำดับของอัลกุรอานเนี่ยจะถือว่าเป็นสูโรหมายเลขอะไรมีใครจำได้ไหมนะเก้าเ <9. S 1> อ่อนับอีกทีหนึ่ง سورة يعني سورة الفاتحة البقرة ا ل ع م ر ا ن النساء المائدة ا ل أ ع ا م الأعراف الأنفال التوبة. ذن سن... ك ا ن يعني دونب الأنفال و التوبة ن ي سامئن بن سورة ديو. كي اتبيا ديني. จำได้ไหมว่าท่านนบีเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้แจ็คแจงชัดเจนกับ صحاب าว่าสุรุษอัลอัมฟาลกับอัลตูบานี่ยเป็นสุรุษเดียวกันหรือเป็นสองสุรุษ صحاب าจริงไม่กล้าที่จะใส่บิสมิลลาฮิราะห์มานิรรห์ไีม์ในทุนสุรุษอัตูบะถ้าในคุรานเนี่ยไม่มีอะไรเรียกว่าหัวสุรุษเนี่ยถ้าไม่มีหัวสุรุษนี่นะ มันก็ถือว่าติดกันเลยต่อกันเลยนะซึ่งในในในเนื้อเรื่องของอัลฟลาะและก็อัตตาว้านเนี่ยมันก็คล้ายๆกันมีมีความคล้ายคลึงกันเยอะเลยลอีกอย่างหนึ่งก้าวูรอเนี่ยที่ที่เรานับพร้อมๆกันเนี่ย น, นี้สุฮาบะ์เขาเรียกกันเออ رث النبي إن رأى ن الحديث م نذكره ي ت ب ر ا ن ه النبي ر ى ك الطوال الطوال. ح د ي ث م ن ق ل ك ت ب ر ا ن ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ت الطوال كتوره لأن ذي رب الطوال تنتوره. วั ل ม ئ อินก ل บ ب و ر ูร ي มิอนี่ก็คือสุราที่ถัดไปจากกัตติวานเนี่ยเราจะที่ไงแทนซาบูรของดาวด์วัลมาธานีก ا บอินเด ا ยลมาธานีก็คือสราที่ถัดไปจากอัลมีอินแทนอินจีลอฟุดิลตบมฟแต่ฉันได้พิเศษกว่าบรรดาน ก่อนอื่นก็คืออัลมุฟัซัลคือบรรดาสุรทยท้ายคุรานเริ่มตั้งแต่สุรษกออจนถึงอันนสฉะนั้นนบีเรียกอัตติวานเนี่ยการสุรษแกเนี่ยอัตติวานเนี่ยเนี่ยจะว่าเป็นสุรษที่ยาวที่สุดอติวานเนี่ยเรพูดคงตะวีลตวีลแว่ายาวยาวที่สุดในคุรานเนี่ยจะสุรถัดจากเนี้ยก็จะเป็นอัลมีอิน อัลมอีนก็คือสุราที่มีจำนวนอายะห์นึ่งร้อยขึ้นไปหนึ่งร้อยขึ้นไปเริ่มตั้งแต่ยูนุสเป็นถึงอัลชูอาระถัดไปจากอัลมีอีนอัมซุราที่ก็เรีกอัลมาธานีอัลมาธานีก็เป็น أ م س و ر التي آيات ج م ل ن آياتي ن ้อยกวَ ١٠٠، رَأَيْنَا مِنْ ا ل ح ج ر ا ت ن س ا م ك م ر ا ج ن ا ل ط و ا ل ك ا ل م ئ ي ن ل ك ا ل م ث ا ن ي ل ك د ي س ي ن ك ا ل م ف ص ل م ف ص ل ن ك َ م د ن س و ر ة ق ا ف ا ل م ف ص ل س و ر ة ق ا ف ٍ ن ت ن سورة الناس. طو المفصل ق م المفصل ل ر م ت ن د سورة قاف. ت ا ل ن ا س ك ب ع ك ا ن ب ن ك ز َ م ك م ب ر ك ر ا ل ط و ا ل ا ل م ف ص ل م ف ص ل ٌ ي ب س ر ي و س ب غ ا م ن ة س و ر ة ق ا ف ق ا ف ن ع م ا ي ت س ا ل ق َ أ َ و ا ص ا ل م ف ص ل كلان كلانك م ف ص ل كذا ن ت عم ت س ا ل و ن الضحا ل ك قصار المفصل مفصلت من صورة سن سن كذا أ ن ا ل ض ح ا جنت الناس ذيك بيعنيهم ثم أيها ب ي ا ن ي لك م สมัยสหาบ้าเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเริ่มขมักขม้นในการท่องจํากุรอานกันเยอะสหร์ฮาบ้ก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาลเลือกพ่างซาร์ฮาบ้ก็ไปพิชิตเมืองต่างๆอาณาจักรอิสลามนี่กว้า ง, า ง, างาขวางไพสารคนที่เขารับอิสลามใหม่นี่เขารับอิสลามใหม่นี่เขาใส่ใจในเรื่องเรียนรู้อัลกุรอานทั้งนั้นเรียนรู้อัลกุรอาน เขาไม่สนใจเรื่องคีลาฟิยาหนึ่งความขัดแ ย, ยนะ้งสาวะนี่สอนคนที่มาเรียนสอนคุรานสนใจสนใจอ่านแล้วก็ต้องจำคุร า, สานสาวะก็เลยมีความนิยมที่จะแบ่งคุรานเป็นเจ็ดเจ็ดกลุ่มเพราะเขาจะเขาจำคุรานทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันอุ่มแรกนี้ก็คือสามซุร่แรกนารักในวิธีแบ่ง สามสุราแรกนี่ก็คือที่จริงเนี่ยมันสี่สุราเนี่ยแต่ฟาติฮานี่เขาแทบไม่นับนะเพราะฟาติฮานี่สุราสั้นมากแต่เนื่องจะเกียรติเกียรติของอัลฟาติฮานี่เป็นสุราที่ยิ่งแง่ก็เลยเริ่มต้นและชื่อของอัลฟาติฟาดิฮานี่เริ่มต้นเนไงแต่เป็นสุราที่สั้นที่สั้นมากเนี่ยก็เลยแทบไม่ได้นับไม่ได้ถูกนับกลุ่มแรกนี่ก็คือสามสุราแรกก็คือบะกอระอเลอหมรอนและกันนิสะกลุ่มสุรา กลุ่มที่สองเนี่ยก็คือห the um. ้าซูละถัดไปไม่ต the awesome ้องนับน้เดี๋ยวจะงงห้าซูราถัดไปกลุ่มที่สามเจ็ดซูละถัดไปมันจะขึ้นทีละสองทีละสอเจ็ดซูลาถัดไปกลุ่มที่สามเก้าซูราถัดไปกลุ่มที่สี่เไหร่สิบเอ็ดซูละถัดไปกลุ่มที่ห้าสิบสามซูละถัดไปกลุมที่สี่ เอกลุ่มที man, man ่หกกลุ่มที่หกเท่าไหร่นะกลุ่มที่ห้าหนึ่งสิบสามกลุ่มที่หกก็สิบห้าสุราษฎร์ไปแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ก็คืออัลมุฟัสซัลเหมือนเหมือนเดิมเหมือนอันนู้นเหมือนกันแบ่งครั้งแรกอันนี้เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดกลุ่มอันนี้ในสมัยสุฮาบะซึ่งมีรายงานจากท่านอูสอิบอูซัยฟะซุกมุตะบีอิดได้ถามสุฮาบะ เอ่อในการจัดสรรแบ่งอัลกุรอานเนี่ยเาก็บอกว่าเนี่ยสมุทรซอวะเนี่ยเาก็จะแบ่งกันแบบเนี้ยเจ็ดกลุ่มสมัยนบีเนี่ยสี่ะสสมัยซอฮาวะเนี่ยเจ็อาล้ที่มีในอกุรอานเนี่ยสาสิบยุสามสิบยุยุละสองฮิซบฮิซบละซีรุบนะซีรุบ รูปที่าิงเนี่ยอนภาษาอาหรับเนี่ยภาษาอาหรับนี่เขาคุยกันรูปรูปะแมาแตมาให้คนไทยนี่พูดกัน้ไม่ไหวอะตัวเอแล้วเอ็นอยู่ไทยเนี่ยมันยากภาษาอาหรับนี่ทําะไรรูปแต่วลาเราเรียกเนี่ยรูปรูปอะไรคนไทยนี่ไปบอกกับไปบอกกับอาหรับนี่มีกี่รูปรูปอะไร การเราเรียกตามสำเนียงของเราเนี่ยไม่ผิดนะอันนี้แค่แค่บอกเพราะบางทีเนี่ยเราเรียกจนลืมอซอนของมันเนี่ยเดิมของมันเนี่ยก็เรียกกันยังไง ร, รูปฮิสจูสจูสเปรวส่วนฮิสเปรวกลุ่มฮิสพักปฏิยกลุกลุ่ ม, มแล้วรูปรูปเรียกว่าหนึ่งนิสีห น, หนึ่งนิสี ا ل ن ي ن ي الرئم سامي الحجاج ابن يوسف الثقافي المجرم بن هواء م ر د ي ر ا سامي عبد الملك بن مروان شقيق اناجع م و ي ة الذي كان من أشخاص أ ا ه ور ้าย د ا في ذلك ا ل و ق ل أ ن ص ح ا ب ة ل ت ا ب ع ي ن أ ك من ألف อุมารบินอับดุล عزيز ซึ่งเป็นค้าหลวงเนี่ยคืออาณาจักรอุมาวียาอุมารบินอับดุลาซ ي ز บอกว่าถ้าประชาคมโลกทั้งปวงเนี่ยีด้เอาความชั่วของเขาเนี่มาชั่งในตราชั่งข้างหนึ่งและเราเนี่ยมีไอตัวเนี้ยไอหัตย์แยกตัวเนี่ยคนนึงอะนะของเรานี่คงคงจะแยกกว่าความเลวร้ายของเขาเนี่ยปกครองโดยไม่ชอบเนี่ยใช้วิธี รุนแรงอย่างเดียวเห็นฆ่าคนอื่นแล้วก็ใครที่ไม่เห็นด้วยใครที่าหันใจคนเนี้ยถึงแม้ว่าเขามีความชั่วร้ายแบบนี้แต่เขาก็เป็นเรื่องแปลกนะเขาก็สนใจใส่ใจกับเรื่องอัลกุรอานใส่ใจมากในเรื่องอัลกุรอานแล้วคนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนแรกที่สนับสนุนให้ให้ดูแลอัลกุรอานในหลายเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องแบ่งอัลกุรอาน ให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยสามารถท่องและก็อ่า น, นง่ายก็ก็เริ่มแบนวิธีนี้แหละให้เป็นสามสิบยูสเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มสามสิบยูถึงจะบอกว่าคนชั่วจะชั่วแค่ไหนอ่ะนะจะชั่วแค่ไหนอ่ะก็ต้อ ง, ม, ออง ม, มีอะไรดีสักอย่างมีอะไรดีสักอย่างเพราว่าอิบลีสแบกยางแห่งความชั่วแบกบยางแห่งความชั่วใช่ไหม บอกว่าอิบลิสเนี่ยยังสอนเรานะถึงแม้ว่าเขาคัดค้านบัญชาของอัลลอฮ์สุลฮานอวัดานแต่พอจะมาคัดค้านเนี่ยไม่รู้จะยินยันในคําพูดของเขายังไงนอกจากว่าสาบานด้วยพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์ไอสติกะเฮ้ยยังสอนเราอ๋อเขาก็ไม่รู้อัลลอฮ์เหมือนกันถ้าไหนที่กำลังคัดค้านอัลลอฮ์ก็ยังไม่รู้อัลลอฮ์อิบลิสอิบลิสช่วขนาดไหน พันยัดก็เป็นแบบนั้นก็แบ่งก็เป็นคนสั่งการให้ให้แล้ก่อนนู้นมีหลงพิมพ์นะก็จะมีอะไรกันนักลอกกันนักเขียนนะอ่ะคนที่จะเขียนกุรอนันเนี่ยก็ให้มีให้ประดับประดากุรอนันให้ดีให้แบ่งเป็นเอ่อแล้วก่อนนู้นอายะเนี่ยสุดอายะนี่นะไม่มีนะตัวเลขนะสุดนี่ก็คือจุดแล้วนับเอา เขาเนี่ก็เป็นคนแรกที se, a, 10, sigu, mud, ja, like ่เริ่มแต่ถ้าขอ้สมัยข้ายเนี่ยยังไม่นับยังไม่นับเป็นเป็นตัวเลขนะเอถ้าครบห้าอายะเนี่ยก็จะเขียนคมสปห้าครบสิบอายะก็จะเขียนอิบแปลว่าสิบเลวจนถึงสิ้นของสุรานี่ยก็ก็จะเขียนก็จะเขียนจำนวนอายะตามนั้นแล้วก็เรื่องนับอายะเนี่ยเป็นตัวเลขอันนี้ก็มาที่หลังอันนี้เป็นผลงานของ ก็แปลกนกะ็เป็นผลงานที่ถูกใช้มาตั้งแต่นุ่นปีหนึนะ่งร้อยไม่ถึงหนึ่งร้อยประมาณปีหกสิบเจ็ดสิบอการาถึงวันนี้นะครับก็เรื่องแบ่งคุรานสาสิบยุสเนี่ยนี่อันนี้เราก็นิยมใช้กันแต่อุลามาผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าที่จริงการนับของท่านนบีิลซาบ า, านี้ก็เหมาะกว่า เพราะมีแรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นให้คนได้อ่านแล้วก็ต้องจำคุรุนี่ง่ายคนเรานี่โอ้โหเนี่ยเวลาต้องรูปหนึ่งหนึ่งรูปป่ะนะโอ้โหดีใจมากรูปหนึ่งแล้วกะยุสหนึ่งโอ้ยล้มบัวเลยหนึ่งยุส <c oughs> แต่ก่อนนู้นน่ะสมัยซูฮาบาและแตเบีอินเนี่ยจะได้ถือว่าเป็น เป็นนักศึกษาคือคืออุดมศึกษาละได้ได้เข้าขั้นอสบอตตัวล์บกอร์รทึงเตาบ้านนี่อันนี้ต้องอ่อย่างพวกเราเนี่ยคืออุดมอุดมศึกษาอุดมศึกษาได้ถึงโซ่เตาบ้านนี่นะใครที่พลาดสู่ร้อนก่อนกอดยก็ไปศึกษาอาจจะได้ครบถ้วนอาจจริงนะเพราะเราจะหาอ พื้นที่พื้นที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่สถาบัานการศึกษาที่จะมาเรียนรู้กุตัานนั่นนี่ก็คนขังคนขังแยกแม้กระทั่งในมาวจะอะไรก็อยากมาวอะถือว่าก็สอนเป็นหลักสูตรหลักสูตรก็มไม่ได้สอนตามตามสเราตามอายะนีญญ่ <c oughs> แต่มันก็ช่วยการแบ่งคุตัานเป็นสามสิบยี่สิมันก็ช่วยช่วยให้คนได้ใส่ใจท่องจำคุตัานอ่านกุตั้น แล้วก็มีกำลังใจแต่อิมาอุตเตมียร์เนี่ยบอกว่ามีข้อไม่ดีของของเนี่ยของวิธีแบ่งของอันินรายไ้เนี่ยแต่ละรูปแต่ละหิสแต่ละยุสนี่นะไม่คำนึงถึงความต่อเนื่องของความหมายจะสังเกตว่ารูปเนี่ยบางทีเนี่ยอายาสุดท้ายของรูปกับอายัแรกของรูปถัดมานี่นะมันเกี่ยวเนื่องกันนะ่ะแต่เขามาตัดเป็นรูป แต่ของแนบีและซาอ่านไม่มีทางเพราะเขาแบ่งเป็นสุราสุราไปจบไปเลยประเด็นนี้จบเลยไม่ไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เวลามันแบ่งเป็นรูปแบงเนี้ยแล้วเขาบอกว่าสุดยอดเหมือนกันนะเสยุคนนัน่ะปีที่หกสิบเจ็สิบน่าไม่ธรรมดานะอัลฮัจจายเนี่ยตั้งสูตรในการนับรูปแล้วก็แล้วก็ยุสนี่นะให้นับ ตัวอักษรเขาบอกว่าให้ไปนับเลยกุณอ่านนี่มีกี่มีกี่อักษรเขาก็นับกันบอกว่ า, วาประมาณอักษรนะ่ยไม่ใช่คํำนะสามแสนหรเท่าไหร่แล้วตัวอักษรนี่กว่แสนกว่าให้นับเปน็นอักษรเลยนะแล้วก็บอกว่าให้ไปดูด้วย <c oughs> นับอักษรนี่หารสองเนี่ยครึ่งหนึ่งของกุตัานนี่ที่ไหน เขาบอกว่าอยู่ที่ตัวฟ้าของคําว่าเลียตลัตัฟในสุรษะอัลกัฟฟีเนี่ยที่มองไม่ท้าวเนี่ยก็เอาไปใช่อว่าเลียตลัตัฟแปลว่าบางนิ่มนวลคือเหมืนมองไม่เห็นนี่ะเขาบอกว่าพวกนักเสียสายนี่ก็จะเอามาใช้ว่าเลียตลัตัฟจะขายไปอ่ะเมีอันี้ที่ไปที่มาเนี่ยเขาก็คนนี้ครึ่งนึ่งหรือว่าเลียตลัตอฟยุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้หายไปเรื่อย จึงเป็นที่ไปที่มาของว่าทําไมการแบ่งเนี่ยมันความหมายมันไม่ต่อเนื่องนับเป็นนับเป็นอักษรนับเป็นคําอะมันจะต่อเนื่องยังไงเป็นเป็นไม่ได้ไอ้เนียจงโมว่านี่คือข้อตำหนี่ของของการแบ่งเนี่ยที่มันเมียกล่าบอกว่าเป็นข้อตำหนิเพราะอะไรเพราะไมชิโซฮาบะไมชินบีเป็นคนทำไงมนุษย์คนรุ่นหลังก็มนุษย์เหมือนกันแหละวนี่ข้อตำหนี่แต่ของนบีของโซฮาบะเนี่ยอันนี้ชัวรเลยและยิ่ง การแบ่งกุรอานเป็นเจ็ดส่วนเนี่ยตาที่ได้นําเสนอเนี่ยเจย็ส่วนเนี่ยมันสอดคล้องกับฮะดิษของท่า น, นนาบีสอลต์ละลาฮูอะลัยฮิวซัลลัตที่ท่านนาบีทีนน่ท่านนาบีบอกว่าไม่ไม่สมควรที่จะอ่านอัลกุรอานน้อยกว่าสามวันทั้งหมดทั้งเล่มนะอ่านทั้งเล่มในี่ยงอ่อนจะอ่านในน้อยกว่าสามวันเนี่ยไม่ควร แลมีหมายรวมว่าอ่านด้วยการใค ร, คร่ขวนเพราะอะไรเพราะในท้ายฮะดีเซนเซนต์นายมิโซะเราซาเลมบอกว่าใครที่อ่านน้อยกว่าสาวันนี้นะจะไม่เข้าใจอใช่ดิอ่านน้อยกว่าอ่านต้องอ่านเร็วมากแล้วถ้าอ่านเร็วนี่คงไม่ไม่เน้นความหมายแต่นั้นไม่ได้หมายรวมว่าห้ามไม่ให้อ่านก็อ่านน้อยกว่าสาวันนี่นไม่ได้ห้ามนะแต่ห้ามไม่ให้อ่านด้วยวิธีใค ร, คร่ขวน ถ้จะอ่านด้วยวิธีใครควรอ่ะนะสาวันไม่ได้แต่นาบีบอกว่าสมควรที่เจ็ดวันเจ็ดวันเราก็เลยที่ไปที่มาของที่สอนนี่แบ่งอุตรอ่านเจ็ดส่วนนี่นะจะได้ครบเจ็วันนะอ่านเจ็ดวันนี่จบจบอุตรอ่านส่วนหนึน่งสุรัตเตว่าเนี่ก็จะอยู่ในส่วนแรกของกุรอ่านหนึ่งในเจนะ็ดเราได้ศึกษา ร้อมกันหนึ่งในใจของลูกอ่านส่วนตะวันนี่เราได้ถึงอายะที่ยี่สิบนี่ส่วนตะวันานวันร้อยยี่สิบอะเกือบสิบเปอร์ซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นของของของสุรานี่ยก็ใกล้แล้ะไม่เยอะซึ่งอายะที่สิบเก้าซึ่งเราอธิบายไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งที่ที่จะขยายความนิดนึง่ง Allah سبحانه และ تعالى อยากจะบอกกับเราว่ามันมีมาตรฐานในการช่างความดีช่างช่งคุณงามความดีต่างๆก็เพราะอาหรับอาหรับกลุ่มหนึ่งเขาเขาไปเข้าใจเองว่าการบุรณะการดูแลมัสยิดฮะรอมการให้อาหารทำบุญทำบุญ บ้านเราเลี้ยงอาหารทั่งทำบุญแล้วเวลาไปกินอาหารเนี่ยเขาเรียกอะให้กินบุญให้ทําเลี้ยงกันะเขาไม่ได้ก็ให้ทำวลีมาทําเลี้ยงอะทําบุญคิดเวลาพูดถึทําบุญเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะไปรถต้นไม้อะรถต้นไม้ทําบุญไหอให้อาหารแมวอย่าเงี้ยทําบุญมะทําบุญให้อาหารหมานี่ทําบุญไหมถือว่าให้น้าบุญ แต่เราจะเข้าใจเรื the ่องเนี like ่ยทำบุญ like นี <laughs> so ่ก็คือแกงแกงมาสมัตมันมันจะมันจะขึ้นมาเลยแล้วกินบุญอย่างเงี้ยนึกไหมกินสเต็กกินบุญไปกินบุญไปกินบุญกัน嘛อย่ไปกินสเต็กมีใครเข้าใจงี้ไหมกินบุญนี่ก็นั่นแหละไปกินบุญนั่นแหละที่เขาทำบุญกันเราก็ไปกินบุญของเขา อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเรานี่บางทีเนี่ยนิยามอะไรบางอย่างนะซึ่งมันจะทำให้เรานี่ขวีตามไปเลยคนบ้านเราเนี่ส่วนมากในเวลานึกจะทำบุญนี่ก็คือทำอาหารเลี้ยงทั้งทังที่บางทีเนี่ยอาจจะมีช่องทางที่มันดีกว่าดีกว่าทุนการศึกษาให้คนที่ไม่มีทุนการศึกษาให้รนี่รักษาพยาบาลคนที่ไม่มีการรักษาพยาบาลอย่าง บางทีเนี่ยเาทำบุญเลีย้ยงทั้งนั้นที่คนในหมูก่เก็มเนี่ยก็ก็ไมนก็มไม่ได้อยากจนไม่ได้ไม่ได้หิวไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบว่าขัดสนอะไรมากมายก็มีมีกินอยู่ได้แต่เราถือว่าเออทำบุญทำบุญนี่ก็เป็นเป็นเรื่องสําคัญนิยามอะไรบางนี่ก็เหมือนกันเขาแต่ก่อน่เข้าใจเข้าใจว่าทําทําบุญบารสิทธารอมมาอะไรนี่ก็ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วต้องปรับความเข้าใจยม เราจะปรับความเข้าใจให้ดีที่สุดการศึกษาอันโุรานเราจะสืบทอดเจตนารมของเราสุภาโนวดาจากการอ่านถ้อยคําเข้าใจถ้อยคําการเข้าใจถ้อยคําเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในถ้อยคําเนี่ยเราสุภาโนวดาในพระดำรัตน์ของเลาเนี่ยขอลเราต้องการสืบทอดอะไรให้เราได้เข้าใจและที่ของเราได้จะสืบทอดจากเจตนารมของพระอาเนี่ยอันนี้เนี่ยที่จะต้องน้อมรับเอามาเป็นบรรทัดฐานในช ah ีวิตของเรา ดีไม่ดีอะไรดีกว่าอะไรเลวกว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรดีกว่าเลวกว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เอาอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเราต้องเอาคำสั่งสอนแล้วเราจะถึงคำสั่งสอนอยังไงไม่มีนอกจากการคุรานะหันีสุนขันนบิโซศึกษาคุรานมากขึ้นศึกษาหะดีษมากขึ้นเราก็จะเข้าใจมกากอสิท رقص تتنا روم الله سبحانه <تتنقى أريني للنيا> وتعالى الله تتنا أعيني لأني <وعلى> الله مقوه الله تمني شعاب إ خ و ا ه وكان ي ج ع ل ت م سقاة ي الحج ا كان ه ي نمدم كفوه برقاب في تحج وعمارة مصر س الحرام لكن ب ر ن ن مصر س الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ดังผู้ที่ศรัทธาต่อ a l l a แล้วนปรโนกปและเจ اهد في سبيل الله ละตั้งูนย์ทางของอ l ล a h นะนั و و ل ل ้นจะเหมือนกันไหมอันนี้เขาเรียกอิสติฟามอิงแกเรเป็นคําถามปฏิเสธมันยังเงี้ยอ่ะที่เราถามมันใช่อ่ะเล่าคือไม่ใช่พวกท่านจะทํำให้คนที่บูรณะมาเท่ากับคนที่ศรัทธาต่อ Allah หมายรวมว่าคนที่บูรณะมัสยิดรมและเป็นมุชริกนะและเป็นคนที่ตั้งพาคกีนะอันนี้คือสมมติฐานตอนนั้นนะนะจะให้เท่าเทียมกับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วันเร็นหรแล้วต่อสู้เนหันนต้าอัลลอฮ์กระนั้นอัลลอฮ์ตอบ้ลายตวูนขาวเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันเอ้าในคำถามเนี่ยมันไม่มีคำว่า จะเท่ากันเหรอจะเท่ากันไม่มีที่มีนี่อาจารย์ดมจะทําให้จะทําให้ผลที่บูรณะแต่มันเหมือนเหมือนแอมันะบิลล่แล้วเนี่ยภาษานี้โอเลมาเขาเขาให้เราสังเกตอะไรสักอย่าง คุณรักนี่จะจ عل ดมสิขาวยาด้ลพอดีว่าได้ถือเอาการให้น้ําการให้น้ําสิข้อนะแต่พอมาเทียบดังผู้ที่ศรัทธาการให้น้ําเหมือนผู้ที่ศรัทธามันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการการะทํากับบุคคลที่กระทําซึ่งอัลมอฮฺเขาวบอกว่า ถ้าจะถ้าจะเข้าใจให้ให้มันให้มันชัดนะนะเท่ากับอัลลอฮ์กำลังบอกว่าพวกเจ้าจะทําให้คนที่ให้น้ําเหมือนคนที่ศรัทธาต้องมีคนนะนะั่ะแต่อันแรกเนี่ยไม่มีคนนะ่ะอะไรอย่างนี้ก็อยางเดียคือการให้น้ําไม่มีคนหรือว่าจะให้การเปรียบเทียบของอันที่สองเนี่ยไม่ต้องเป็นคนนะเป็นการกระทำเช่นพวกเจ้าจะให้ การให้น้าเหมือนการศรัทธามันต้องตีความแบบนี้มันจะได้ถือว่าเออเหมือนกันแต่ทำไมอันนี้อัลลอฮไม่ให้เหมือนกันล่ะเพราะอุลมามนี่บอกว่าการกระทำความดีโดยปราศจากความศรัทธาเสมือนว่างเปล่าเหมือนไม่มีคนทําเลยไม่มีจิงจําเลย แต่คนที่ศรัทธาเนี่ยมัน من, อามันเออมีตัวตนก็เท่ากับคนที่ทําความดีแล้วไม่ได้ศรัทธานในเ ส, สตาของอัลลอฮ์นี่นะนม่มีแต่การกระทำของเขาแต่ตัวเขานี่ไม่มีตัวตนในสตาของอัลลอฮ์นี่ไม่มีไม่มีอะไรนอนโนเ น, น, นมแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ในสายตาของมีตัวตนดิพิผู้ศรัทธมันอา้ามัน ดังผู้ผู้มีมีตัวตนมีอยู่จุดหนึ่งที่เราต้องต้องคุยนิดหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการงานที่อัลลอฮฺสุลฮานุวาร่าให้ให้เราได้ถือว่าเป็นมาตรฐานของความประเสริฐศัทธาต่อลกมนุษย์และก็ต่อสู้ จ ا าดใน سبيل ซึ่งเป็นสั ญ, ญลักษณ์สําคัญของสุภาพ บ, บ, บ้านบีและสุภาพบ้านนี่ยุค ข, ของเขานี่นะที่อิสลามได้ยืนได้ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังจากการต่อสู้และการต่อสู้ของสุภาบ้านนี่ของน บ, บีและสุภาบ้านนี่ก็เกิดด้วยการเสียสละเลือดเนื้อชีวิตทรัพย์สิสน น ja. th e ี่นนีี่คือรูปแบบการจการเสียสลับแต่การต่อสู้นี่มันมีหลายรูปแบบเนี่ยก็เรียกว่าต่อสู้เหมือนกันต่อสู้ต่อสู้เล็กต่อสู้ดิ้นรนในการหาริสกีรายได้ที่ฮาลาตต่อสู้ต่อสู้ในการเผยแพร่และการศาสนาถือว่าต่อสู้ต่อสู้ในการบังชิญหน้ากับอุปสรรค ขัดขวางการเผยแพร่อิสลามก็ถือว่าต่อสู้ที่ว่าต่อสู้แต่ใช่ต่อสู้ของซาบะที่เต็มรูปแบบไหมจะไม่ใช่จนกว่าจะทําเหมือนที่ซาบะจะไม่รูปแบบทุกอย่างที่ซาบะทําเสียสละทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินต้อสู้จิหาดด้วยเลือดด้วยเนื้อซาบะอย่างอื่นเขาก็ทําเหมือนกันนะแต่ถ้าตราบใดเรายังไม่ทําเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ต่อสูร้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งชไหนเลย ن ب ن د ك م إمام بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذب و للمجاهدين في الجنة مئة درجة ما بين ا ل د ر ج ة والأخرى كمثل ما بين السماء والأرض. سمر بندا مجاهدين يناس سوّانا. قام ت ك ّ ا ن م بندا مجاهدين ك توسّنا. مية م ئ تمنّع. م ئ ت ب مجاهدين ميثا تيّمّنا. มีต่อสู้ระดับไหนต่อสู้ระดับสูงระดับกลางระดับนะในมีบอกว่ามีอยู่ร้อยระดับระหว่างหนึ่งระดับหนึ่งชั้นกับอีกหนึ่งชั้นเนี่ยของมุจาฮิอันนี้แค่เฉพาะมุจาฮิดีนะชั้นสวรรค์นี่นะใช่าหมบูจาฮิดีนนะ น, น, น, น ะ, ะนนะร้อยชัน้นระหว่างชั้นกับชั้นนี่นะเท่ากับระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินอันนี้เฉพาะเฉพาะเฉพาะ การงานของจิจการอย่างเดียวงานอื่นนบรรดาผู้บริจาคก็ก็มีหลายชั้นบรรดาผู้ที่ขยันละหมาดก็มีหลายชั้นสวรรค์เนี่ยมีหลายชั้นมีมีอีกชั้นหลายชั้นเป็นร้อยเป็นพันไม่ไม่มีใครรู้เพราะเพราะพราไม่ไม่มีไม่มีหลักฐานมีแค่หลักฐานอันเนี้ยอะดีสเนี่ยปฏิบัติบุคคลีนะทีบูถึง ชั้นสวรรค์เฉพาะของกลุ่มมุญฮ์นี้แสดงว่าการต่อสู้การจิฮัดนมันมัมนมีหลายรูปแบบหลายระดับหลายคุณภาพหลายตำแหน่งเราไม่ควรที่จะสรุปการจิฮัดในการงานต่อสู้อย่างหนึ่งอันนี้เป็นจิฮัดสุดยอดแล้ว เราต้องเราต้องทอมตนไม่งั้นเราก็ถือว่าไม่ได้เข้าใจนี่ไม่ได้เข้าใจคือถ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จำเนีพวกอารามเนี่ยบกจะเอาคนดีตั้งภากีกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นมุชริกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาทําความดีให้น้ํำให้ดื่มน้ําให้โบราณมาเจอเราจะเท่ากับคนดีสถาบันบรูลจิฮัดก็คือซาฮ์บานี่เท่ากันนะในปัจจุบันนี้ใครต่อสู้เรื่องอะไรก็ตามอะไรก็ตาม เราก็ต้องทบทนว่าเราคงถ้าจะเป็นนักต่อสู้ขนาดไหนก็ตามก็คงไม่ถึงสักขบันฉะนั้นถ้าเราต่อสู้อะไรสักอย่างนึ่งเ่ยเราก็อย่าถือว่าเออโอนี่สุดยอดของมุจญาฮิดีในยุคนี้สุดยอดมุญญาฮิดีมันก็จะได้ยินกันเยอะหนึ่งดียินกันเยอะเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นตอนเนี้ย การลบหลู่ศาสนาอิสลามนะคนเป็นโรคจิตเป็นอะไรก็ไม่รู้ขเขาอยากจะระบายอารมณ์ความแค้นของเขาอนะ่ะนก็ไประบายกับกุอ่านไปนระบายกับศาสนาอย่างที่บอกแล้วว่าเพราะกฎหมายไม่มีกฎหมายรองรับรองรับลงโทษคนที่มินประมาทศาสนาแล้วจะมินประมาทคนละ่ะจะเอาคนเนี่ยเอาคนนี้มาด่าเข้ามาอเลย ส่วนเขาแค้นมุสลิมนะจ๊ะเาะว่าศา ม, มุสลิมมุสลิมก็มีกฎหมายกฎหมายที่จะคุ้มครองตัวบุคคลนะตัวบุคคลตัวศาสนาที่เป็นที่เป็นคําสั่งสอนเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับนะไม่มีแต่วถ้าใครใครแค้นอิสลามก็จะเป็นระบายในอิสลามโดยมั่นใจว่าเขาปลอดภยัยทีนี้มันเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนนะ่ะที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลเกียรติยศ ก็อิสระและต้องต่อสู้และการต่อสู้นี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่มีอุปสรรคเยอะมากแต่เวลามีปัญหาแบบนี้เนี่ยเรามักจะเข้าใจในสังคมตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการต่อสู้นี่ก็คือต้องเอาคืนนี้เราจะเอาคืนยังไงอ่ะเราจะไปไปดา่าศาสนาเขาจะไปดูถูกคำวิญเขาเนี่ยทาไม่ได้ ทำไมเพราะศาสนาของเรานี้ก็ห้ามก็อเอาขึ้นมันนี่แหละไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ต้องเอาขึ้นเอาขึ้นยังไงอ่ะตามหลักการศาสนาคนนี้มินศาสนานี่คือประชีวิตอันนี้ที่สุดของหลักการอุามาโคบอกว่าถ้าอยู่ในรัฐอิสลามนี่ถ้าอยู่ในรัฐอิสลามนะคนนี้เป็นศาสนาที่ประาชีวิตเอา <c oughs> และ้าเรามีรัฐิศถ้าเรามีรัฐอิสลาม มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีที่หนึ่งก็ไปด่อิสลามรัฐอิสลามเประกาศสงครามต้องประกาศสงครามกับพรัฐนู่นทั้งหมดที่ทําเราทําได้ไหมประเศซาอุดีนี่มินศาสนานี่ในประเทศซาอุดีนี่ตุรกีเป็นฮามดีคนดังมากเยอะเย้ยอุรานเยอะยยฮะดีสของท่านนบีในซาอุดีทำอะไรไม่ได้ ตุลาการตุลาการแล้วก็อำนาจที่ซาอุดีในก็ได้แต่จําคุกอุลมามะแต่คนแบบนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามีรัฐอิสลามมาหนะ้ที่คนบางคนที่ถูกหลอกบ้างเราเนีว่าซาอุดีเป็นรัฐอิสลามลา ม, มันรัฐอิสลามมันทําอะไรไม่ได้เลยยังไม่ยังทําอะไรไม่ได้ครับคนนี้ <c oughs> ดูมิน่นศาสนาในแผ่นดินรัฐอิสลามแล้วจะมาทําอะไรซาอุดีเพิ่งมาเซ็นสัญญา อะไรใหญ่โตกับเมืองไทยไม่ท่านไม่ท่านจะกลับมานะหมอนี่ก็เอามาเหยียบละัสดีทำอะไรนะเฮ้ยทำเด่งอายกเละกันทาเคยมีคนนี้ยบอกว่าโซดีเป็นประเทเดียที่ปกป้องอิสลามเราไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ได้หวังนะครับว่าจะมีผู้ปกครองบูนัมมุสลิมระดับโลกเนี่ยที่เขาจะมาปกป้อง มุสลิมทุกคนเนี่ยก็ต้องพยายามอันี่การพยายามของเราเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบคนบางคนนี่ก็ไปเข้าใจเนี่ยี่บ้านเราเนี่ยตอนนี้เี๋เขาจเข้าใจเนี่ยก็ก็คือเอาคืนกับคนนั้นน่ยก็คือให้ไปดําเนินคดีไปฟ้องศาลไปร้องเรียนอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวฉันไปศาลนะเดี๋ยวฉันไปโรงพักนะถ้าพี่น้องรักอลอระซุ่เนี่ยมาแต่เดี๋ยวคนที่ไม่ไปนี่นะอันนี้หมายหัวแล้ว หมายหัวแล้วคนที่ไม่ใบกับมันนี่นะคือคนที่ไม่รักอัลลอฮฺไม่รักอัลลสุคือเท่ากับสถาปนาตัวเองว่าการงานของเขาเนี่ก็อันนี้ไม่ปฏิเสธนะก็ถือวดีทํานะทําคนอื่นก็ทําแต่คนหนึ่งทําแล้วก็มันเงียบๆเข้ามาดิเข้ามาดิปรุรบกันดาอะไรเยอะแยคน่นก็ทําแต่สถาปนาการงานการต่อสู้ว่าว่าคือคือจุดจำแนกระหว่างคนที่จะปกป้องหรืคนที่จะไม่ปกปอ้องอสลาม เนี่ยชัดเจนเลยกไม่ได้เรียนรู้อุปนิสัยไม่ได้เข้ามเข้าใจหลักการอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้รู้บรรทัศฐานในการเปรียบเทียบดีไม่ดีประเสริไม่ประเสริฐยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราไม่มีผู้นําสูงก็วเราไม่มีคอลิฟะมุสลิมทั่วโลกก็ดังคนดังครับแต่ถ้าเรากลับมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าการต่อสู้สมัยซาบานีเขาต่อสู้ด้วย j ิ h a d แ่บอกกอยลืมนะสายว่ า, า, เ, ว า, าวเขาต่อสู้ในทุกรูปแบบนะถึงเขามีความประเสริฐที่มันสมบูรณ์ที่สุดของการต่อสู้ทุกประการสหายมาต่อสู้ในการปกป้องอิสลามท่องจําคุตอานท่องจำฮ า, าดีษเรียนรู้หลักการศาสนาถ่ายทอดนี่ต่อสู้มามต่อสู้ดีถ้าสหายบ้านนี่เขาไม่ขยันท่องจํากุตอานเนี่ยคุตอานจะถึงวันนี้แหละหนึ่งพันสี่รอปีเนี่ยไม่พลาดจะกักซ้อนเนี่ยซ้อนที่นี่ไม่มีพลาด ถ้ารุ่นรุ่นนะรุ่นรุ่นเขารุ่นก่อนเนี่เขาไม่ได้ต่อสู้เนีรื่องนี้อ่านกุูอ่านกันท่องกุูอ่านกันดูแลกูอ่านกันยิ่งก็ดูแลชีวิตสุขภาพของตัวเองแต่เบียอีนคนนึงบว่าไก่จะเสียชีวิตอายุแล้วเนี่ยก็ลูกสาวลูกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงในห้องเนี้ยพ่อนอนอยู่เนี้ยในห้องเนี้ยเขาตํากูอ่านไปแล้วเนี่ย แปดหมื่นขต่ำแปดหมนะื่นขต่านั่นแสดงว่าวันหนึ่งขัดต่ำนะี่สองสามสองสามครั้งและในห้องนี้ห้องเดียวนะเฉพาะในห้องนี้เนะี่ยแล้วก็ที่อื่นในะที่มสัสยิดที่อื่นละแต่คนเขาดูแลกุตอ่านกันอย่างเ น, งนี้ต่อสู้แล้วไปถามไอ้พวกนี้ที่กําลังต่อสู้ตอนนี้นะ่ยนะบาร์กรอนนี่เขยังยังคงอ่านไม่ผ่านเรา มาตั้งคำถามกันอีกอย่างเราจะเอาผิดกับคนที่ดูหมิน่นศาสนาใช่ไหมแต่เรามาตั้งคำถามและเราละ่ะมุสลิมเราในทั่วประเทศเนี่ยเราทำอะไรบ้างให้คนไม่คาดเคลื่อนในการเข้าใจศาสนาพวกบาดหลวงพวดพวกพระสงค์ผู้นำศาสนาพวก ครูบาอาจารย์ด็ตร์ปรเฟเซอร์ตามมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าเขาคิดจะเรียนรู้กุณอ่านหรือเขามีข้อสงสัยหรือมีใครโจมตีกุณอ่านแล้วเขาอยากจะค้นหาข้อมูลจากอิสลามที่เป็นภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอื่นนะที่เป็นภาษาไทยนะอันเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือระดับประเทศนี่มีไหมมีเว็บไซต์ น, น, ทำทำนู้นกรทําทําอยังงล่ะเพราะว่ะ นักวิชาการดรมหาอะไรไปอ่านหนังสือของฝรั่งนี่มันมีข้อมูลอะไรคาดเคลื่อนแล้วก็อยากจะค้นหาเพิ่มเติมอยากจะศึกษาเพิ่มแต่เขาเป็นคนไทยเขาจะเปิดดูไว้ด้วยความเคารพแล้วก็พยายามแล้วก็พยายามทำสุดความสามารถแต่ว่าเรายังบกพร่องช่องทีวีต่างๆอาจจะเป็นช่องทางในการที่จะคุยกับประชาชนทั่วไป แต่คนหัวกะทิปัญญาชนในสังคมอ่ะนักการเมืองอาจารย์มหาวิทยาลัยคนคนหัวกะทิของสังคมอ่ะเขาจะมาดูช่องทีวีเขาจะหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาจากช่องทีวีน่ยใช่นะ่ะสมองเขามีอุ้ยเขามีอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยข้อแข็งใจเยอะเขาต้องการคําตอบแบบนี้เขาไม่รู้เข อ, อ่านหนังสือหนังสือต้องมีอ้างอิงต้องนีอันนี้เราทำาํำ เรามีไหมไม่มีต้องบอกต้องบอกนีด้นามีเพราะเรื่องนี้เราไม่ไดีต่อสู้เราไม่ไดีต่อสู้เราต่อสู้ในการสร้างมสัส q u e จัดงานมสัส q ิ e เนี่ยต้องห่วงจกกัดอสร้างมสัส q ิ e นี่ยแป๊บนึงกี่ล้านละต่อสู้ในการสร้างโรงเรียนสร้างสร้างฮาฟิตโรงเรียนฮาฟิตเนี่ยเยอะมาก เยอะหาฟิตคุรอ่านเราต้องการคนท่องจำกุรอ่านอย่างเดียวแล้วมันพอไหมมันพอมเราไม่ได้ผลิตเหมือนที่นบีผลิตซอฮาบ้านเนี่ยซอฮาบ้านแต่ละคนเน็่อัลลอฮบานะเบสเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเยอายุสิบสามขวบนบีเสยชีวิตอายุสิบสิบห้าขวบเนี่เป็นอัลลิมแล้วผู้รู้แล้ว เขาสามารถที่จะอธิบายกุรานทั้งเล่มเลยมาดูสิหาวิทก์คุรานในประเทศไทยนี่ใรนนะครนี่หาวิทกุรานแล้วก็มานั่งอธิบายคุรานทั้งเล่มเลยที่เรียกว่าถือว่าปรมาจารย์ของตัสซียไม่ตึงบอกว่าเออปรมาจารย์ระดับโลกของตัสซียดให้คนต่างประเทศอย่างเช่นอุลามาซาอุดีนี่มาถามอุลามาตัสซียดมองไทยอันนี้อันนี้อันนี้คงคงอีกสักสอามศตวรรษ ถ้าเราตั้งใจทํามานะเหมือนอินเดียอินเดียเนี่ยต้องใช้หกศตวรรษปรบับโครงสร้างการศึกษาถึงขนาดอุลามาอินเดียเนี่ยเป็นที่พึ่งของอุลามาในตะวันออกกลางอุลามาที่ซาอุดีนเดินทางาที่ซาอุดีนที่อิบเนี่ยเดินทางอินเดียจะได้มามาหาอุลามาที่เชี่ยวชาญเนี่ยมาเรียนภาษาอาหรับอาหรับนี่ผมได้ยินกับหูน่ยอุลามาที่ซาอุดีน เขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยถ้าไม่ไปหาอุลมะคนนี้ที่อินเดียเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษนะถือว่าไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งอุลมะอนเดียคนเนี่ยถูกคัดเลือกเป็นราชบัณฑิตภาษาอังกฤษที่ประเทศอียิปต์ระเียนี่เขาจะมีราชบัณฑิตที่ที่จะตรวจสอบเรื่องภาษาเหนบนา้านเราเรืนนร่องภาษาเนี่ยเลือกใครคนที้มาใช้อังกฤษอินเดียของของเขาเนีนเ่ยงุเช่าการอย่างเดียวเคยนะ การใบันทิตี่อียิปต์เนี่ยเลือกผู้รู้ชาวฮอลแลนด์ยังไงเขาบอกว่าคนบาคนว่คนฮอลแลนด์นี่นะไม่ใช่มุสลิมด้วยนะรักภาษาอ раб รักคุตั้นรักฮะดีจนเชี่ยวชาญมากเชี่ยวชาญในกุตัานในฮะดีสในภาษาอับถูกเลือกให้เป็นกรรมการบัณฑิตการบัณฑิตาธารของของภาษาอับที่เราไม่ได้ต่อสู้เลย เราไม่ได้ต่อสู้ในการปกป้องกุตตานด้วยการให้โรงเรียนปนอนเนาะโรงเรียนศาสนาเนี่ยเป็นโรงเรียนตัวอย่างมาตรฐานบ้านเราบ้านเรานี่ปอเนาะต่างๆเราต่อสู้ในการในการหาลูกศิษย์มาเรียนในโรงเรียนข้าหัวต่อสู้ในการที่จะเออโรงเรียนขยายอาคารขยายห ล, ลักสูตรละ่ะ หลักสูต ด, ดูดิบ้านเรานี่ไม่มีไม่มีหลักสูตรเดียวหลักสูตรใค่หลักสูตรมันแต่แล้วโรงเรียนสูตรนี้มีและไม่มีคุณภาพเลยไม่มีคุณภาพยังไง ม, มีคุณภาพเพราะเราไม่ได้ผลิตผู้รู้ระดับโลกรู้เล็วคือไม่จําเป็นนวะว่าเออหลักสูตรที่เราทําเนี่ยทุกคนที่เรียนจะเป็นอุลมะระดับโลกไม่ใช่ แต่สมมติว่าเรามีนักศึกษาเราแสนคนแสนหนึ่งแต่เราได้อุลามาระดับโลกจากแสนนี่ที่เรียนหลักสูตรเนี่ยได้อุลามาระดับโลกสักยี่สิบคนสักห้าสิบคนมันก็โอเคมันไม่ต้องทั้งหมดก็ได้พออย่างที่ประเทศอาหรับก็เหมือนกันเลยคนเรียนหลักสูตรเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านแต่คนนี้มันเป็นอุลามา ก, ก็หลักร้อยหลักพันนะไใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักแสนหลักล้าน อัน น, นี้เราไม่มีเราไม่มีเรื่องที่น่าเศร้านะส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกเมืองนาววงเล็บบางคนนะดี๋ยวาจะโกรธผมส่งลูกลูกไปเรียนเมืองนอกเมืองหนาวจบมาแล้วจบจบมหาอะไรนู่นจบมหาอะไรลับมานหนิใครไม่ได้เรื่องนี้ลับมานี่อ่านภาษาหรับเป็น แต่วิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องราวของศาสนาเนี่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาเด็กกันผู้รู้ไม่ได้กันในกุชการได้กันได้กันล่มล่ามก็พอก็คือรู้สองภาษาแปลอายะภาษาเป็นภาษาไทยอธิบายล่ามล่ามทุกคนก็ทําได้แปลจากภาษานี้เป็นภาษาทุกก็ทําได้ แต่คนมีปัญหาเรื่องตลาเรื่องอยาล้างเรื่องเรื่องเรื่องเลี้ยงลูกปัญหาระหว่างสามีภรรยาเนี่ยคุณอ่านว่าอย่างไงอันเนี้ยมีกี่คนในประเทศที่วนีจฉัยได้แนตะ่บางทีนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีในะประเทศอาหรับถึงบ้านเรานี่ยโครงสร้างของครอบครัวนี่หลายครอบครัวหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายนี่เป็นพ่อเนะี่ย อันนี้เป็นอันนี้เปนอูรฟเป็นเป็นเจารีตนะฉะนั้นเราจะตาหนิเขาไม่ได้จารีตเป็นอย่างนี้เราเอาทุกอย่างที่ที่ที่ที่มันเป็นจารีตของประเทศอาหรับเนี่ยมาหุกกมมาฟะตัวตรงนี้เนี่ยไม่ได้เฮ้ยผู้หญิงทํางานได้ไงต้องอยู่แต่บ้านพอทีนู่นเน่ยเชบยบุรเชอัลบานีเนี่ยเนสารทั้งหลายเฮ้ยผู้หญิงออกนอกบ้านได้ไงวะผู้หญิงทํานเงานนอกบ้านไม่ได้ต้องอยู่บ้านอย่างเดียว เอกฉันเลยนะกัตัวแบบนี้จะมาทำได้ไหมไทยได้ดิทั้งความพวนนี่ตายทำไมใช้เนี่ยเขาเพราะมันไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมให้คุกไก่จะได้ทอดคุกไก่แป้งคุกกระแป้ง่ะกับน้งปลาจะได้ทอดไก่ทอดเนะ่ะจะได้ขายนะยังไม่ทำอะไรเลยวงเล็บบางบางคนะวงเล็บนะจะรี้แบบนี้ นี่เราจะมาม า, มาสอนดิเอ า, าที่เช่แอลเบเนียเชืบินบัสผมจ็บินบาสเคยถูกถามว่าเด็กอียิปต์เนี่ยไปถามมหาวิทยาลัยที่อียิปต์เนี่ยบนหญิงชายนี่เลขตุ้มเปเลยเชบินบาสผมอาฮามไปเรียนไม่ได้ที่ไหนบนหญิงชายเนี่ยปไปเรียนไม่ได้ฮึขี่บารนะ์นะนะนเนี่ยกบาร์นะเชือ่อแอลเบเนียก็เหมือนกัน ไม่ต yes ้องไปเรียนเลยเอ้ยเรื่องฟกหนั่งไม่ต้องไปเรียนกีบารมมุกันนะเช็กแอลเบเนียเป็นภาษาเอามาใช้ดิวเอามาใช้ดนม่านบ้านเราไม่ต้องเรียนกันเลยนะอย่าว่ามหาวิทยาทุกแทบทุกเรื่องเลยบางเรื่องคนหญิงชายคือหลายเรื่องเราต้องต้องวิเคราะห์วินิจฉัยอ่ะเออดีน่าสิกเข่ากเข่า เข้าพอเป็นเรื่องเลยข้าราชการเราต้องเข้าใจว่าข้าราชการเขาจะมีเขาจะมีประเพณีมีอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขของตําแหน่งพอข้าราชการมุสลิมพลาดมีประเพณีอะไรสักอย่างแล้วก็กับไปคุกเข่าไปคุกเข่าให้พระ คือผิดไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วิจารเขาผิดผิด <phone> ห <Navy> ือผลาดหรือยังไงกันผิดมันมันเป็นการกระทำที่ผิดผิดละการศาสนาแ <fish> น่นอนแต่ไม่ควรที่จะให้เขาเป็นแพทระ บ, บาปสังคมทั้งหมดเพราะด่าว่าเขาบาปที่ไปฮุกเขานะสังคมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบาปที่ทําให้ข้าราชการระดับนี้เนี่ย ไม่รู้หรือรู้และบางอาจกล้าทาไม่ได้เป็นข้าราชการนูน่นอ่อที่ไหนนะรัฐนิวยอร์กนะนรัฐปัตตนี <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ไนนี่อยู่ที่นี่นี่ทิ้ของเราเองอะ่ะ ทีนของเราเองอ่ะจะหาว่าไม่รู้จะหาว่าไม่เข้าใจมันเป็นไปได้ไงแต่ไม่ได้จะมันเกิดจากสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยที่บกพร่องในการที่จะให้ข้าราชการแต่ละขั้นตอนเนี่ยรับรู้เรื่องนี้อันนี้เราต้องยอมรับไม่มีข้าราชการ slim เ, เวลาเขาเวลาเขาเข้าไปทํางานเติบโตเขามีอบรมของหน่วยงานของเขา แต่สังคมมันไม่เรียกว่าเออนี่นี่เกิดอะไรการแสางมันกี่ชั้นนะทั้งหมดมันกี่ชั้นนะมันกี่ชั้นกี่ระดับนะเก้าอะไรเก้าครับนะปะ่ะสี่อะไรเออสี่เก้าใช่ปะ่ะสีกนี่สูงสุดใช่ป่ะนี่แสดงเอกชนหนึ่งนั่น <laughs> ตอนยังยงเป็นข้าราชการยังตัวเล็กๆ เ, เนี่ยไม่มีการอบรมด้วยนี่เนี่ยเราอาจจะพูดเนเอะเรื่องคุกเขาเรื่องอะไรนี่ไม่ได้น้ำมือสิ่งทำไม่ได้นี่คือเราบรรยายทั่วไปแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ฟังเนี่ยมีว่าคนที่จะไปสอบสมัครทํางานหน่วยนูน้นหน่วยนั้นของราชการ ร, ารู้ไูมสมัครไปแล้วนี่สมัครไปแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงล อ, อันนี้เราเนี่ยบกพล่อง ทุกคนบอกว่องค์กรหลักองค์กรใหญ่องค์กรเราองทุกองค์กรทำไมเหรเพราะเรารับผิดชอบสังคมทั้งหมดเท่าที่เท่าที่ทำได้ใครทำอะไรนี่ก็ถือว่าหลุดกับความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไปแต่ในเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น เ, เคยมีจำได้มหกไปไ ม, ไม่พับช่วงปีใหม่ปีหนึ่จะมีหิจามหลุดด้วย มี hijab รุดในพับตอนนั้นน่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าคนนั้นน่ะผิดมุสลิมมากคนนั้นน่ะอันนี้อันนี้ h ิ j าบนี่มันพอที่จะจับว่าเป็นมุสลิมไหมแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะจะจะรู้ยังไงซึ่งมันมีโอกาสจะมาดีขนาดมุสลิมยังมีเลยฮ i j a b ยังมีเลยยังก้าใส่ h i j า b ไปแต่พอผมเห็นที่ซาอุดีนี่ผมก็เลยไม่แปลกใจแล้วที่เกิดบ้านเรา ผมเลิกแปลกใจแลวซาอุดีนฮาโลวีนแบบนีกอบเลยลใส่นีกอบเลยแต่ไหนว่ามีมูชายอาจจะมุสลิมอาจะหลุดไปด้วยใช่ไหมหลุ ด, ห ล, ดหลุดไปด้วยผิดที่ใครอะ่ะเราจะไปตำหนิข้ยวชนอะแล้วก็ลืมผู้ปกครองโรงเรียนเพราะแน่นอนเขาคงมีแย่แสดงว่ามีคนสอนไง แน่นอนต้องผ่านการเรียนการสอนแน่นอนรุมเรียนปรอีนสื่อของโอ้โหทั้งหมดนี่บอกาอะไรเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเราอย่าเอาเคสนั้นนั้นมาเป็นแพะรับบาปเราบาปของเราโจมตีเขาเขาคุกโอ้เนี่วิจารณ์น่งอย่าง น, น, นี้แล้วเขาต้องบิดตัวเองหรือยังนี่เนีย เหมือนเรไอผิดของเราเราไม่ผิดเลยนะเขาเนี่ยผิดแล้วเขาต้องเตาบตรตัวนะแล้วเราอะเราไม่ได้ทำอะไรนี่เนี่ยเพราะเราไปเข้าใจว่าการ jihad การต่อสู้นี่ก็คือเรื่องนี้ต้ไปโรงพักต้องไปร้องเรียนต้องไปฟ้องศาลจบละแล้วเรื่องอื่นล่ะองค์กรอดุดมการอดุดมศึกษาองค์กรทํา ง, งานศาสนาผู้แพร่นักเขียนนักบรรยาย ทั้งหมดนี่ขขไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมต้องหลักสูตรที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยในโรงเรียนต่างๆในปอนเะฟอร์ูอินต่างๆที่สอนลูกหลานของเราอนาคตเขาจะได้เติบโตประ ส, ขขสบความสำเร็จระดับหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ให้สังเกตนะนี้ชเส้นรามคำแหง แล้วก็ลาดพลาวนี่ผมไม่รู้ที่ไหนนะแต่เส้นเนี้เพราผมวิ่งบ่อยเนี่ยแล้วก็ติดขัดอะไรจะซื้ออะไรเนี่ยก็แวะเวบแวะโลตัสบงังแวะบิ๊กซีบับงแทบทุกสาขานี่ยมียี่จับแทบทุกสาขาผมไม่ไม่มองนะว่าเออเขาทำงานว่าก็ถูกถามเยอะอนาะนั้นมุสลิม่าหรือมุสลิมีนทางานแล้วก็กมีถ่ายเล่าไงร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มีถ่ายเล่ามันก็เป็นประเด็นเนะ่ยเป็นสินค้าแทา็แต่ที่ผมยังภูมิใจว่าเออเขาก็ยัง รักษาหิจาหิจาก็ยังไม่คุอยสมบูรณ์นะหิจาแล้วก็เสื้อเสื้อแขนสั้นอะไรเงี้ยมีนี่ก็ ใ, น ใ, นใส่ใส่เสื้อของของโลโก้ของของแบรนด์ของเขาอะนะแต่แตมุสลางทีว่าเขาก็ยังมีอะไรมามามาปิด ม, มันก็เป็นประโยชน์ที่เขาเรียนมาก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมบางคนก็พยายามมาว่าเวลามีใครมาซื้อเหล้าเนี่ยก็ให้เพื่อนเขาไปหบให้อะไรพยาพยามพยายามมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่ง แต่พอเกิดอะไรที่มันเกินคาดอย่างที่เราได้เห็นน่ะมันก็จะต้องทําให้เราอย่าลืมนะ่ะว่ามันไม่ใช่บาปของเขาคนเดียวมันเป็นบาปของเราด้วยบาปของคนที่ลงมือและบาปของคนที่เอื้อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งดั้งที่เราเนี่ยเสมือนเป็นตะแกงที่มันต้องกรองทุกสิ่งทุกอย่างลูกหลานของเราทั้งนั้นผลผลิตของเราต้งไม่ใช่คนต่างชาตินะ เป็นคนในสังคมของเราไม่ใคนอื่นเอฟเฟกต์เวลามีอะไรแบบนี้เอฟเฟกตนะ์ก็คือระบายความแค้นความโกรธกับคนที่ทำปัญหาน่ะนะเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเออเราทำหน้าที่ไอ้คนที่ไอ้คนที่ทำความชั่วอยู่ตรงี สังเกต ด, ดูเนะยฟีดแบคของเราเนี่ยไม่ค่อยมีการวิจารณ์ความบกพร่อ ง, องโดยรวมคงสังคมไม่ค่อยมาดูภาพรวมว่และใครที่จะออกแบบแก้ไขปัญหาในอนาคตเรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์ทำยังไงให้ใ ห, ให้ข้าราชการถึงแม้วเพราะมันมีไงเคยมีระดับรัฐมนตรีระดับการนักการเมืองระดับระดับสูงก็พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด พยายามนีเลียแล้วไสู่ความสำเร็จแสดงว่ามันทำได้แต่ทำไมมันพลาดจนเป็นไปได้เรื่องนี้เราต้องศึกษากันเราจะเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราเรียนรู้อัลกุรอานและได้เห็นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เปรียบเทียบระหว่างการงานหนึ่งการงานอีกการานข น, ข น, นั้นตอนนี้เนี่ย หรือสหาบานนี่เขาปกป้องกุรอ่านปกป้องศาสนาโดยการจี้หัดโดยการต่อสู้อนี้ใช่แต่ในขนาดเดียวกันเขาก็ปกป้องกุรอ่านโดยการเรียนรู้คุรอ่านโดยการท่องจำคุรุอ่านสอนกุรอ่านอุนิใช้อุนิใช้ความหมายแล้วก็ขยายผลให้มันเป็นความรู้หลายแขนงหลายวิชาผลงานของสหบ้านหลายอย่าอันนี้ก็เหมือนกันการต่อสู้ของเราเนี่ย ในการที่จะก่อตั้งสถาบันการศึกษามาตรฐานที่มีคุณภาพมันก็เป็น jihad อีกอย่างหนึ่งที่เป็น jihad ที่เราไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้เนี่ยคนดีแค่ออกมาต่อว่าคนนู้นต่อว่าคนนี้วะ น, นี่เสนโอโ้นี่คนนี้กล้าพูดความจริงความจริงมันก็ดี แต่ความพูดความจริงเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาก็ได้กพูดความความจริงนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาพูดความจริงในให้คนรู้ความจริงนี่มันคืออะไรแต่ในการแก้ไขปัญหานี่มันต้องช่วยกันทำหลายอย่างหลายระดับหลายมิติอัลลบอกว่าลยสตวูนอินดัลลอฮฺนะอัลลอนี่ไม่เท่าเทียมกันอย่างน้อยในเรื่องแรกนี่นะก็คือคนที่ คนที่ตั้งภาคีเนี่ยเราบอกแล้วคนที่ตั้งปาคีนี่ได้ได้ซุลุมเป็นผู้อธรรมที่ยิ่งใหญ่ลุกมานสั่งเสียลูกชายยาบุเนยลาตุชิริกบิลลาฮิลูกเอ๋ยจงอย่าตั้งภาคีออกมาเลยโดยเด็ดขาดอินนัสิร์กะลุมอาดิบแท้จริงชิร์กการตั้งภาคีนั้น วุนมุนโดยแน่นอนเนี่ยเป็นการอาธรรมอย่างมหันุ่นมุอาซิอลลอฮฺอับดุาอมารเคยขอดูกอาะทีมีคนดังค่กันอัลลอฮุมาอินนีอาอูดุบิกามีมุนมีวกุฟรีว่าลราขอความคุ้มครองจากการจุลุมของฉันและการกุฟรกของฉันสดุ้งนู้่ยังไงอ่ะ ر و م ي ظ ل م ر و م ي ك ف ر و شايدي ا ل ل ه وإن الإنسان أ د ن ما ند ا إ ن س ا ن لظلم و كفار ظلم و ت ن غ أتهم كفار تشغ بتسيد سيني ا كراي ظلم و ماشي ظالم ن ظلم و نفعول ب ي ه ظلم م ع ك كفار فعال ن ماشي كافر ن كفار بيوا بيوا กูฟอร์บแบบยังกูคิดเลยโจรูมกัฟฟามีอิมาอุตัมีอะไราในมนุษย์คนเดียวเนี่ยอาจจะมีอีมาแล้วก็มีกูฟอร์แล้วก็มีสุลลมแล้วก็มีความดีมีบุญมีมีคุณมีโทษมีบาปในตัวเดียวเนี่ยมนุษย์คนเดียวอาจจะมีอย่างอะไรท <Kimberly>. ี่มันจะเข้มข้นกว่านี่นั่นเป็นตัวชี้ว่าคนนั้นน่ะก็เป็นเป็นสิ่งเหล่านั้น ถ้าอิมานเข้มข้นกว่านี่เป็นมุสบิมถ้ากูฟรเข้มข้นกว่าอันนั้นก็เป็นารเาเฟนไปเลยแต่มีคนที่คนที่มีกูฟอร์นี่ปฏิเสธปฏิเสธอาจจะไม่ใช่ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมุสลิมอยู่ยด้วยกันที่มาแบ่งมรดกเอ้อเอากฎหมายไทยผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกัน กฎมายแล้วไม่ดีหรืก็ดีแหละคือจะไปไกลกว่านี้เนี่ยเขาก็รู้รู้ตัวไงกฎมาแล้วไม่ดีไม่ดีอ่ะไม่ดีไดีนี่ก็วสลาอะกฎมาแล้วไม่ดีหละก็ดีแหละอทำไมเอากฎหมายไทยไม่เอากฎไมายของอัลลอฮ์ก็คือลึกๆเนี่ย ไม่อยากก็มันมีเสยียหายไงผู้หญิงได้ไม่เท่ากับผู้ชายนี่ก็เสียหายไงามาเจอประเภทด้วเอากฎหมายไทยผู้หญิงหนึ่งกับผู้ชายแต่ไม่เอากฎหมาย islam เนี่ยเออปรากฏว่าเป็นลูกเมีนยมน้อยก็ลูกเมียน้อยกฎหมายไทยนี่ไม่ได้เลยไอ้งั้นเอากฎหมาย islam เอากฎหมายไทยนี่เมียน้อยนี่ลูกเมียน้อยนี่ islam บ้าระไม่มีสิทธ ผู้หญิงตามกฎหมายไทยนี่ก็ผู้หญิงเท่ากับผู้ชายไงแต่ <c oughs> นี่กฎหมายกฎหมายไทยนี่เขาไม่ให้เหือหลวงอย่างเดียวอ่ะแสดงว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์เราก็มีองค์เียอะไรปฏิเสธปฏิเสธลึกๆกันนะแต่เราไม่กล้าเปิดเผยหรือไม่กล้ายืนยันเนี่ยอันเนี่ยที่เราต้องขอดูอาขอดูอาใหเา้เราคุ้มครองเราจากเรื่องปฏิเสธที่มันลึกลับ ที่เราศีมาหลายคนนั่นยอมรับหลักการศาสนาทั่วไปนี่ทําไมไม่คุมียาามันร้อนมันร้อนวันหน้าหนาวนะคือมันคือจะได้รู้ขึ้นหลักการศาสนาไม่เกียงอาบนั่นละหมาดเนี่ยทั้งหน้าร้อนแล้กันหน้าหนาวใช่ไหมทั้งหน้าร้อนก็ต้องอานนั่นละหมาดียาบก็เหมือนกันทั้งหน้าร้อนและวกัหน้าร้อนแล้วกันหน้าหนาวก็ต้องคุมียายอมรับในียาเพราะมันร้อน ลึกๆหนึ่งไม่อยากฉันจะแต่งยังไงจ ะ, จะใส่วิกยังไงมันจะสวยมันจะให้คนได้เห็นความสวยงามแต่คู่มืยามเนี่ยก็จบสิจบหมดเลยทําอะไรไม่ได้เลยลึกๆหนี่ไม่อยากคู่มือยามถ้าเราขอด้วยอคุณภาพคุณภาพการงานเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเราด้วยเราควรเล่นสตว และกับสตคุณภาพการงานนี่ไม่เหมือนกันเช่นอย่างที่บผู้ศรัทธาด้วยกันนีก็ไม่เท่ากันมุจายดินด้วยกันก็ไม่เท่ากันแล้วระดับร้อยระดับนในสวรรค์ <c oughs> มันมีประโยชน์สําหรับสําหรับปัญญาชนที่เขาจะมานั่งคิดว่าเอาแล้วคุณภาพงานอันอันใดที่มันที่มันเลิศที่สุดเนี่ยขยันที่จะไปทําสิ่งที่มี มีงานที่มีคุณภาพสูงสุดซดะก็เราแข่งขันกันซดะก็คนนี้ซดะก็ร้อยหคนนี้ซดะก็สองร้อยบางคนก็ขยันในการให้คุณภาพของซดะก็นี่ไม่ไดีอยู่ที่ไม่ไดีที่จํานวนหลายฮะดีสนะะที่เน้นให้เข้าใจว่าไม่ใช่จํานวนที่จะยกสถานะของซดะกะ h a d i บดุอมัตหนึ่งนัว่าดัมิดรัมหนดรัมนี่อาจประเสดะอัลลานี่เปสกว่าหนึ่งแสนดรัมอีกสำนวนหนึ่งท่านอบีที่บายคนที่คนที่บริจาคหนึ่งดรฮัมเนี่ยเขามีสองสามดร์ฮัสินของเาทั้งหมดนี่ก็คือสองดีรัมบริจาคไปหนึ่งดีรัมเท่ากับบริจาคไปครึ่งสั์สนอีกคนหนึ่งเงินโอ้โหเงิน ลน้นเป็นล้านเป็นสิบล้านแล้วหยิบหยิบมาแสนหนึ่งเคยเห็นมไหมไอ้ตู้เฮาอ่ะตูะ้เฮาเห็นเงินหรือม่นั่นนายหยิบปึกนั่นหนาแสนหนึ่งละปึกนั่นหนาแสนนึ่งละปึกเงินแสะถ้าไปถ้าไปดูกองเงินในที่เขาที่ที่เขาอายัดนะตรงถ้าหยิบไปปึกนึงอ่ะ น, นะมวลเงินเนี่ยไม่กระทบอ่ะ เนี่ยที่ท่านนยกว่าคนที่มีเงินเยอะแล้วก็หยิบไปชิ้หนึ่งเนี่ยนิดนึ่งนแล้วแสนหนึ่งอะแต่คนที่บริจาดหนี่นะอัลลอ์นี่คุณพระคุณฉังไม่ได้จนวนนี่มันเกี่ยวกับสถานะสถานการอีกฮรหนึ่งอัฟ ضل ุสากะูดุลมุคิลดกะที่บรทีิสุดเนี่ยคือการมอบการบริจาคของของคนที่มีน้อยคนที่มีมาก คนที่มีมากและบริจาคและไม่รู้สึกกระทบไม่เท่ากับคนที่มีน้อยแต่ก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเอาไปบริจาค Allah Subhanahu Wa Taala เราก็ต้องเราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเ ร, รียนรู้มาตรฐ า, านคุณภาพการงานเพราะอันนี้ความรู้ ความรู้ระดับสูงของผู้ศรัทธาที่เขาขยันทำความดีคนดีทั่วไปผู้ศรัทธาทั่วไปเนี่ยเขาทำความดีทั่วไปคนดีทั่วไปแต่คนคนพิเศษเนี่ยเขาจะเลือกทำอะไรที่มันพิเศษจะหนึน่งอไรช่ <c oughs> ดีอกว่าข้อดีของท่านเบบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮุซซัลลัมเีบอกว่า อัลยัดู العلياخير ์ม ال ال ิ่นอัลยัดูสุฟละมือบนย่อมประเสริฐกว่ามือล่างมือบนนี่ก็คือมือที่ให้มือที่สอดดะก็มือล่างนี่มือที่รับสอดดะก็ทราบว่าบางท่านนี่ก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นมือบนอย่างเนี้ยคนที่เป็นมือบนนี่ก็จะภูมิใจว่าเขาเป็นมือบนแต่คนที่เป็นมือล่างเขาก็อาจจะอับอายว่าเขาเป็นมือล่าง ทราบางบางคนเนี่ยเวลาเขาจะให้สดอกขเนี่ยเขาไม่เอาสดกขให้แบบนี้แต่เขาจะเขาจะวางสดกขเนี่ยเงินนี่วางอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนยากจนเนหยิบหยิบคนจนนี่จะได้เป็นมือบนแล้วคนที่ให้นี่จะได้เป็นมือมือล่างหนึ่งทอมตนตัวเองเช็กมือบนเป็นมือล่างแล้วก็ยกย่องคนที่เป็นมือล่างเนี่ยให้เขา้าภูมิใจว่าเขาเนี่ยเป็นมือบนศิละปะแบบนี้ ศิลปะในการทําความดีอัลลอฮฺนินมัสรุตถือซิโนดเวลาจะออกไปละหมาดนี่แน่นอนในประเทศอาหรับนี่มันรอ้อนเนี่ยช่วงถือซิโนดนี่ปากจะแห้งอัลลอฮฺนินมัสรุตกลัวแล้วออกก็ถือซิโนดเห็นคนจะเห็นเขาปากแห้งเนยถือซิโนดเหรอก่อนที่จะออกไปเนี่ยเราก็จะทาน้ํามันน้ํามันนีนมาทา ให้ดูสดชื่นคนจะได้ไม่สังเกตว่าเ อ, อ้าวมีแค่นี้นะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาถึงสนุกแค่นี้นะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในศิลปะการละหมาดตะหัดยุทธในที่ท่านนาบีจะนอนครึ่งหนึ่งของกลางคืนแล้วก็ละหมาดสองในสามแล้วก็หนึ่งในแล้วและหนึ่งในหกและหนึ่งในหกเนี่ยท่านนาบีก็จะงีบเขาบอกว่าจะงีบเนี่ยเพื่อให้ สีหน้าหน้าตาเนี่ยดูเหมือนพักผ่อนแล้วแล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่มีริ้วรอยของของการนอนดึกก็อะไรเงี้ยออกตอนซูฟานี่ก็ไม่ต้องมีคนนีน่นหนึ่งในเนี่ยอิกมากนในเหตุผละว่าทําไมละหมาตอาชุนนี้ก็ให้มีพักผ่อนบ้างเขาบอกว่าถึงขนาดในเรื่องพักผ่อนเนี่ยเรื่องนอนงีบหนึ่งเนี่ยท่านนาบีจะรักษาทำถึงขนาดที่มีอุลมามะท่านหนึ่งบอกว่า การนอนงีบหนึ่งเนี่ยนอนงีบหนึ่งก่อนเป็นละมาสุโบนี่เป็นวาจิบทําไมอะบอกว่าในมีทําประจําถึงเวลาจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะงีบเลยนะท่านในบีก็จะคือจะไม่ไม่ไม่นอนนะแต่ก็จะก็ให้นอนนอนให้ตะแคงหน่อยมีผู้รู้คนหนึ่งได้เขียนหนังสือกกับล็อกยาตุลฟัจริการนอนก่อนซุโบนี่ย เียก่อนซูบอสเนี่ยหุมคุมของมันเนี่ยแล้วก็ได้นําความขัดแย้งระหว่างอุลหมาเกี่ยกับเรืงนี้เกี่ยวกับเรื่อนี้แสดงให้เห็นว่าหลักการศาสนาก็ให้เราได้มีความคิดในการค้นหาศิล ป, ปะของการทําความดีทําความดีเนี่ยก็ทุกคนทาความดีแต่ศิล ป, ปะในการทําความดีเหมือนคนละหมาดคนละหมาดแตเราจะรู้เลยคนใครใครที่ละหมาดมีสมาธิกับคนที่ละหมาดแบบไม่มีสมาธิ ใครที่ละหมาดแบบตั้งใจละหมาดอยากละหมาดกับ ค, คนที่ละหมาดรีบรีบละหมาดให้มันพ้นๆ้นไปมันจะได้จบจบไปก็จะสังเกตจากกริยาปฏิบัติของเขาเนี่ยก็จะฟ้องเพราะฉะนั้นอัลลอ์ก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงการตั้งภาคีนะอัลลอฮ์เปรียบเทียบระหว่างคนที่ให้น้ำดืม่มบุรณะมัิฮาิราหกับคนที่ศรัทธาต่ออัลล์ไม่ได้พูดถึงเรื่องชิริกนะ แต่ตอนท้ายอายะเนี่ยเราก็ว่าอัลลอฮุนายนะดิลก้าวมัลแวลิมีนและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงแนะนํากลุ่มชนที่เป็นผู้อธรรมก็คือกลุ่มชนที่เป็นร้อยร้อยที่เป็นมุชริกเนี่ยที่ที่ตั้งปากีก่อนเราสุภาหน้าหัวตาอัลลอฮ์มาย้ำในอายะต่อมาเนี่ยอายะที่ยี่สิบเนี่ยในเรื่องความประเสริฐของความศรัทธาแล้วก็การงานอื่นๆการงานอื่นๆที่ไม่ใช่การ ح ي ن م د ِ ر ب و ر ن أ م س ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ه ا ج ر و ا و ج ا ه د و ا ف ي س ب ي ل ا ل ل ه ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م ْ ع ظ م د ر ج َ ع ن د ا ل ل ه و أ و ل ئ ك ه م ا ل ف ا ئ ز و ن ب ن د ا ب و د س ت ه ا ل ا أ ي آ م ن ُ س ت ه ا ه ا ج ر ُ أ ُ ي ك ب ي ر ت ي َ ب ر َ و ا ن ص ح ا ب ة ن ب ي أ ي กับพวกมุชรินที่เขาอ้างว่าเขาโบราณมาศิรามแต่เขาม่ยอมอพยพเขาเขาอยากจะอยู่ในสภาพเป็นมุชรินเป็นคนที่ดั้งภากีกับเาแล้วก็ไม่น้อมรับบัญชาของเรา سبحانه และก็อ่าลไม่เชื่อฟังท่านนบีสุลต่านจะเท่าเทียมกันได้ไงและอพยพฮิจรัห์วะาฮดูและต่อสู้ผซด سبيل ลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์เป็นอวาลม์และอันฟุิม ท iam, icism, ั้งด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้นอาลวามุดารยะย่อมเป็นผู้มีย่อมเป็นผู้มีระดับชั้นยิ่งใหญ่กว่าอินดะลอละอัลลอฮว่าอุลัยกุมุลฟัยซูดและชนเหล่านี้แหละพวกเขาคือผู้มีเช่นนันนสมมุึงเรื่องความศรัทธาเรื่องฮิจรานี อันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างซาฮาบานะบีแลวก็พวกมุชริกินมันก็ต้องมีฮิจร้อเป็นเป็นความประเสริฐที่เด่นชัดฮิจร้อจึงเป็นจุดจำแนกในประวัติาศาสตร์ดวปฏิทินอิสลามเนี่ยใช้ฮิจร้อนเพราะอะไรเพราะการฮิจรอนนี่ถือว่าเป็นการเริ่มเริ่มประวัติอิสลาม ตอนที่ท่านนบีอยู่ที่มักกานี่ถุกคุมเหง่ะไม่มีรัฐไม่มีอะไรเลยแต่พอฮิจร้อนไปมาดีนา่าแล้วเนี่ยเริ่มละเริ่มละเริ่มขยายละแล้ว เ, เป็นจุดเริ่มต้นสาวะก็วิเคราะห์กันนะว่ า, วราวเราจะจ ะ, จะนับปฏิทินจากไหนอ่ะจากการเกิดของท่านนบีหรือการเริ่มเมทศนาของมันก็มีมีมีไอเดียหลายไอเดียไงนะสบาบะเอาอันนี้แล้วเรื่องฮิจร้อนนี่พราะเป็นจุดเป็นจุดที่ประเสริฐยิ่ง และในตัวบทต่างๆที่พูดถึงความประเสริฐอง่นในทั้งในกุรานาที่นี่มีมากมายแม้กระทั่งการที่จะให้ความประเสริฐในหมู่ซาฮบะเนี่ยท่านนบีเองมีกลุ่มพวกมุฮัจญีและก็มีกลุ่มอังซอรมุฮัจญีเขาก็มีประเสริฐของเขาอังซอรก็มีความประเสริฐของเขา้วอังซอรก็ไม่ดีจุรอะต่เนืว่าเขาไม่มีความประเสริฐเขามีความประเสริฐที่เท่าเทียมกับจุรอ อ grammar, ันนี้เขาตอนรับมูฮาจิรินมุฮาจิรินถ้าไม่มีใครต้อนรับเข้าเนี่ยเขจะอิจรไปไหนอ่ะคืออิจราต้องเข้าใจนะย้ายถิ่นจากถิ่นที่ไม่มั่นคงเนี่ยไปถิ่นที่มั่นคงเพราะถ้าไปจากถิ่นที่ไม่มั่นคงและไม่มีถิ่นที่มั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้อิจรานะเรียกว่าเรร่อนแล้วน่ะต้องมาออกมาการเนี่ไม่มีไม่มีที่หลงเลือไปไหนอ่ะไปนู่นก็ไม่มีใครเอาเนี่ยก็ไม่มีใครเอาอ้า เรีย้อนแล้นี่มัจีร้อนแล้นีไม่อยู่กับที่ล้วแต่นี่ก็เจออังซอร์นี่เขาต้อนรับออกมานี่เลยเหมือนพี่น้องเราเหมือนครอบครัวของเราทรัพย์สินเรานี่แบ่งกันเลยโอ้ท่านนาบลลีสุลต์ละบอกเลยให้เกียรติอังซอรมากแต่ไม่ได้ระบุไม่ได้เอ่ยเรื่องอังซอร์นี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างชาวมักกะกันเองพวกพวก มักกะเนี่ยตอนถูกเป็นเชลยเนี่ยลุงบอกว่านฮ้ยมาตำรีเราเร่งเดียวแล้วเราก็เราก็บุารณะมัสยิดฮารอมหมายถึงว่าเขากาําลังคุยกับญาติพี่น้องเขาเนี่ยที่เป็นชาวมักกะและกั อ, อุปยพเฮ้ยมันมาอ้างอะไรเราก็ยังทําความดีเหมือนกันอัลลอฮ์ก็จะเปรียบเทียบค่ะเนี่ยาาชาวมักกะกันเองนี่นะถ้าเทียบแล้วนะกับคนดีฮิจระร์กับคนนี่ไม่ดีฮิจรอ คนที่ยอมเสียสละทรับสละบ้านช่องของเข้าจะได้ไปตามท่านนาบีกับคนที่ไม่ยอมไม่ยอมทิ้งศาสนาดั้งเดิมของเขา้าไม่ยอมทิ้งความเชื่อดั้งเดิมของเขา้าจะไปเปรียบเทีย บ, บ, บกันได้ไงอิจูร์เนื้อหาของอิจูรก็คือละทิ้งเรื่องที่อัลลอฮ์ไม่ชอบน บ, บีละซอฮามานีละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบ แผ่นดินที่ตั้งพากีก่อนเลาะบุคคลที่ตั้งพากีก่อนเาะตัดตัดออกอันนี้หนึ่งยากยากในในการละทิ้งสิ่งที่เราคุ้นเคยชอบทำเนียมคุ้นเคยยากที่สุดชอบคนชอบวัตถุชอบการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด้ชอบ สถานที่อย่างหนึ่งอย่างใดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความนิยมของมนุษย์